การประพฤติในขมมะอันนี้มันมีมาตั้งแต่โบราณกาลตั้งแต่หนแต่ไรมาตั้งแต่กลับใดกันใดมาตั้งแต่มีมนุษย์มาในโลกก็ประพฤติกันมาอย่างนี้แหละถ้าสมัยใด ไม่มีพระพุทธเจ้าบาังเกิดขึ้นในโลกผู้ใดเห็นโทษแห่งการครองเรือนแล้วคนนี้ไปบวชเป็นฤาษีอยู่ในป่าแล้วประทานผลไม้แทนข้าวเจริญกสิณฌานได้สำเร็จฌานโลกี สมัยใดมีพระพุทธเจ้าบางเกิดขึ้นในโลกพวกที่เป็นฤาษีชีพัยอยู่ในป่าได้ทราบข่าวว่าพระพุทธเจ้าบางเกิดขึ้นในโลกแล้วผู้มีอปุปนิสัยวาสนาก็พากันเดินทางมามาเฝ้าพระพุทธเจ้าฟังธรรมเทศนาได้ความเลื่อมใสแล้วก็ขอบวชเป็นพระภิกษุในพุทธศาสนาะ <c oughs> จเจริญสมถาวิปัสนาไปก็ได้สำเร็จมักผลธรรมวิเศษตามกำลังวาสนาบรารมีของตน <c oughs> นี่มันมันเป็นธรรมเนียมอยู่อย่างนี้ของโลกไม่ใช่มีแต่คนในยุคนี้สมัยนี้เท่านั้นสมัยใดเพื่อนก่อบวชกัน เพราะฉะนั้นให้พากันคิดให้มันกวงๆนึกว่าไม่ใช่มีแต่เราประพฤติในคำมบธรมีหรือว่าประพฤติพรหมจรรย์เป็นผู้ถอนตนออกจากกามคุณอันนี้ไม่ใช่มีแต่เราคนอื่นก็มีตั้งแต่ไนศรัยมาสำหรับผู้ที่เห็นโทษแห่งการครองเรือน กว่ามันยุ่งยากมันลำบากมันเป็นทุกข์มากแล้วก็ประโยชน์ที่ได้จากการคองเรือนมีน้อยเต็มทีนามิซัาคนผู้ไม่ฉลาดยังไปทำบาป ท, ทำกรรมใส่ตัวเองมากมายสำหรับการคองเรือน ก็เช่นนี้แหละจึงว่านารกนั้นเหมือนข้าสารยัดไถสัตว์ตายแล้วไปตกนรกไม่มีเวลาเป็นอยู่อย่างนั้นเพราะว่าคนมันมากวันหนึ่งหนึ่งตายไม่รู้ว่ากี่หมื่นกี่แสนทั่วโลกเนี่ยถ้าคิดเป็นนาทีแล้วก็นาทีหนึ่งไม่ไม่รู้ว่ากี่คนนะทีนี้ไอ้พวกที่ ทำบาปนั่นมีมากามเกหมือนกันสําหรับผู้ครองเรือนก็ดีผู้เป็นนักบวชก็ดีเป็นนักบวชก็ทําบาปได้เหมือนกันไม่ใช่ทําบาปไม่ได้อทําบาปได้เหมือนกันนะกับผู้ครองเรือนสําหรับผู้ป่าเสจากที่ได้อดตปธรรมแล้วมันก็ทําบาปได้ทั้งนั้นแหละผู้ครองเรือนก็ทําบาปได้ผู้ออกบวชก็ทําบาปได้เหมือนกัน ที่นี้ผู้มีหหรโอตต่อประธรรมอยู่ในใจแล้วผู้ครองเรือนก็ละบาปได้ผู้เป็นนักบวชก็ละบาปได้เหมือนกัน<ม>แต่ว่าผู้ครองเรือนนั่นนะมันยากเหลือกเกินที่จะละบาปได้นี่เนื่องจากว่าอาชีพมันบังคับถ้าตนไม่หาก็ไม่ได้รับประทาน ส่วนเป็นนักบวดนี่ยอมสละทุกสิ่งทุกอย่างอาศัยชีวิตเป็นอยู่กับชาวบ้านก็ไม่ค่อยได้ทำบาป พ, พปากพท้องอันนี้ถ้าหากว่าไม่โรคมากเกินไปก็ไม่ไปหลอกลวงชาวบ้านเขาเรี่ยงชีพมีผู้ศรัทธาถวายอย่างไรก็บริโภคใช้สอยไปเท่านั้น สหรับผู้ครองเรือนนี่นว่ามินต่อการทำบาปมากแต่ถ้าผู้มีศรัท ธ, ธามีปัญญาแรงกล้าพอสมควรนี่ก็มีทางเอาตัวรอดจากบาปได้ <c oughs> เรื่องอย่างนี้ใครจะไปสอนใครไม่ได้ดอกตัวเองนั่นแหละสอนตัวเองเพราะตัวเองก็รู้อยู่บาปเป็นยังไง ถ้าหากว่าเราเชื่อพระพุทธเจ้าจริงๆแล้วมันก็ต้องเชื่อบาปเชื่อบุญตามที่พระพุทธเจ้าทรงสแสดงไว้นั้นผูเชื่อว่าบาปมีจริงอย่างนี้มันก็เพียนละบาปแหละคนมีปัญญาก็จะไปทำบาปทำไมเล่าเพราะบาปมันอานวยผลให้เป็นทุกข์ก็รู้กันอยู่นี้ต่ผู้ขาดปัญญาแล้วมันหักตกเป็นท่าของตัณหา เมื่อตกเป็นธาตุของตันหาแล้วมันก็ไปทำบาปตัญหาเป็นเหตุให้เกิดทุกข์นมันเป็นความจริงเนี่ย <c oughs> มันอยากเกินขอบเขตมันอยากเกินขอบเขตบุญวัสนาบรรมีของตนตนได้ทำบุญกุศลความดีมาแต่ชาติก่อนเพียงเท่านี้บุญนำนวยผลให้เพียงเท่านี้ยังไม่จุใจ ยังทะยอทยานอยากได้มากไปขั้วนี้เมื่อมันได้อยากได้มากไปขั้วนี้เราจะไปสเสวงหาในทางสุดจริตนี่มันไม่ได้เพราะว่าบุญกรรมของตนมีเท่านั้นวันนี้มันยังคิดทุดจริตขึ้นมาในใจสเสวงหาเอาในทางทุจริตทางช่อทางโกงทางหลอกลวงทางกี้ทางปล้นไปสารพัดเละ นี่เรียกว่าอาศัยันหามเมื่อปล่อยให้ความอยากมันท่วมท้นจิตใจมากๆเขาแล้วจิตมันก็เป็นอคุศลขึ้นมาไม่กลัวบาปเลยตันหามันฉาบพาจิตใจมากๆเข้าไปแล้วไม่กลัวเ พ, เพราะไม่กลัวบาปนั่นแหละมันจึงทำบาปได้ ผู้ดใดยังกลัวบาปอยู่มันก็ทำบาปไม่ได้นี่เป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นในพุทธศาสนานี่พระพุทธเจ้าทรงสอนพุทธบริษัททั้งหลายนี้ให้มีปัญญาไม่ใช่สอนให้เชื่อตามๆกันไปเฉยๆสอนให้ทุกคนฟังแล้วต้องให้เอาไปคิดไปกรอง ให้เกิดปัญญาความรู้ความฉลาดขึ้นมาได้ตนเองทางไหนเป็นบาปเป็นโทษก็หลีกเลี่ยงไปไม่ว่านักบวชไม่ว่าคฤหัดมันก็ต้องพึ่งตัวเองพึ่งปัญญาของตัวเองเมื่อได้ยินได้ฟังคาสอนรู้จักแนวทางปฏิบัติแล้วก็ลงมือประพฤติปฏิบัติไปจนเกิดปัญญาความรู้ความฉลาดขึ้นมา รู้ว่าโอ้บาปนี่เป็นอย่างนี้อำนวยผลให้เป็นทุกข์อย่างนี้ไม่ควรทําเลยให้มันรู้ชัดขึ้นมาในใจอย่างนั้นมันรู้ว่าโอ้บุญกุศลมีลักษณะอาการอย่างนี้อบุญกุศล น, นี่เป็นสิ่งที่อำนวยความสุขให้อย่างเดียวไม่ใช่บุญกุศลมันจะอำนวยความทุกข์ให้แก่คนผู้กระทาไม่มีก็ให้มันรู้ชัดขึ้นในใจของตน ให้ได้ mm hmm. เมื่อมันรู้ชัดขึ้นอย่างนี้มันก็พอใจทำสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลและเมื่อมันรู้ชัดว่าสิ่งที่เป็นอกุศลไม่ควรทำเพราะมันนำมาซึ่งทุกข์มันก็หลีกเว้นไม่ทาไม่ทําไม่พูดไปในทางที่เป็นบาปเป็นอกุศลและไม่คิดไปในทางบาปอากุศล คิดอย่างไรคิดไปนในทางบาปก็คิดเบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นพูดกันอย่างง่ายง่ายอันนี้เลยเรียกว่าคิดไปนในทางบาปอากุศลถ้าหากว่าตนไม่ได้คิดไปอย่างนั้นแล้วก็ชื่อว่าความคิดนั้นไม่ได้เป็นบาปเป็นอกุศลเป็นอย่างนั้น <c oughs> ก็เรื่องศีลห้าข้อที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติห้ามนั้นมันก็เกี่ยวกับเรื่องการเบียดเบียน ซึ่งกันและกันนี้ทั้งนั้นเลยเรียกว่าพระผู้เทอเจ้านั้นพระองค์ทรงเมตตาต่อคนทั่วๆไปไม่ต้องการให้สัตว์โลกทั้งหลายเบียดเบียนซึ่งกันและกันก็จึงได้ทรงบัญญัติห้ามไว้แต่เป็นข้อห้ามเฉยๆแบบนี้บทลงโทษในปัจจุบันให้ไม่มีนั่นแหละ ใครรักษาได้ก็เป็นบุญกุศลของผู้นั้นไปผู้นั้นก็ไม่มีบาปติดตัวไปใครรักษาไม่ได้ไปทำบาปไปล่วงเกินพุทธบัญญัตินันเข้าไปบาปกรรมก็ติดตัวไปแต่ไม่มีใครลงโทษใครในปัจจุบันนี้ <c oughs> ถ้าหากว่าผิดทำผิดกฎหมายบ้านเมืองไปนั่นแหละเจ้าหน้าที่เขาจึงลงโทษเอา <c oughs> ไปอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยคนเรานะ่มันถึงได้ไม่กลัวบาปเพราะเมื่อทำบาปลงไปแล้วบาปนั้นมันไม่ได้ให้ผลทันทีในปัจจุบันนี้เรยเลยถือว่าทำอย่างนั้นไม่ไม่เป็นทุกข์ไม่นาทุกข์มาให้เหตุนะั้นจึงชอบชอบทากันไปเรื่อยๆคนเรานะ แม้ว่าพระพุทธว ญ, ญตัเกี่ยวกับพระภิกษุสามเณรก็เหมือนกันคำว่าเป็นอาบัตต้องอาบัตอย่างนี้บางคนก็อาจจะไม่นึกเลยว่ามันเป็นบาปเนึกว่าเป็นอาบัตเป็นความไม่ดีในปัจจุบันนี้เท่านั้นเองนะมไม่นึกว่ามันจะเป็นบาปเป็นกรรมตามสนองตนไป ทั้งในปัจจุบันและเบื้องหน้าเพราะฉะนั้นนักบวชบางคนบางพวกจึงไม่สำรวมในวินยัยความเข้าใจผิดอย่างนี้นับป่ามีมากมายทีเดียวคำว่าต้องอาบัตินั่นก็คือว่าต้องโทษนั่นเองนต้องบาปนั่นเองเนี่ยมีใช่อื่นไกลตะว่าบาปบางอย่างมันบาปเบา เมื่อรู้ว่าตนได้ล่วงเกินพุทธปรญยัติอย่างนี้แล้วก็ไปสารภาพตนต่อเพื่อนภิกษุรูปใดรูปหนึ่งซะวไ่ได้ได้ล่วงอาบัติหรือว่าได้ทำบาปอย่างนั้นจริงอย่างนี้แล้วขอแจ้งต่อท่านต่อ น, นี้ไปเขาเจ้าจะสำรวมระวังจะไม่ล่วงเกินต่อไปเมื่อท่า น, นรับรู้ว่า อขอรับทราบความผิดของท่านแล้วก็ขอให้ท่านชวงสำรวมระวังต่อไปทางนั้นก็รับว่าจะสำรวมระวังต่อไปเท่านี้แล้วโทษนั้นก็หมดไปแต่ถ้าว่าขืนทําบ่อยๆโดยอาศัยการแสดงอาบัติเอาแล้วก็พ้นเท่านั้นอันนั้นไม่ไม่ไม่ไมพ้นนะไม่พ้นบาปนั่นเขาเรียก ว, ว่า คนไม่มียางอายไม่มีความละอายอันนั้นถึงจะแสดงอบัตก็ไม่พน้นแต่ถ้าผู้ใดรู้ตัวแล้วได้ลุ่มหลงทำลงไปแล้วตั้งใจสำรวมระวังให้เด็ดขาดไปเลยอย่างนั้นมันถึงพ้นจากบาปไปได้แม้เป็นคฤหัสถ์ก็เหมือนกันเมื่อสมทานสินแล้วก็จะ สำรวมระวังไม่ล่วงเกินอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นแล้วก็ตั้งใจสำรวมไปจริงๆเช่นนี้มันก็จึงจะพ้นโทษอันนั้นไปได้แต่ขั้นเมื่อสมทานไปแล้วไปไปเราไปทาอีกเมื่อไปทำอีกแล้วผนมาสมทานสินใหม่อีกอยู่อย่างนั้นเนี่ย เข้าใจว่าไม่มีทางมันจะหลุดพ้นจากบาปนั้นไปได้บาปนั่นต้องตามให้ผลแน่นอนเลยการที่บาปมันจะไม่ไม่ตามให้ผลได้นั่นเมื่อผู้ได้รู้ว่าตนทำอย่างนี้มันเป็นบาปจริงแล้วอย่างนี้ก็ไปสมทานสินใหม่ซะเมื่อสมทานแล้วก็ตั้งสติสัมรวมระวังกายวาจาต่อไป ไม่ร่วงเกินอีกเอาชีวิตเป็นเดิมพันเลยเอาเราจะรักษาสินนี้ให้บริสุทธิ์จะไม่ทำบาปจะไม่ร่วงพุทธวันนเล็ดขาดเลยตายก็แล้วไปตายเพราะรักษาสินนี่ก็แล้วไปขอถวายชีวิตในบูชาคุณของสินถ้าผู้ใดตั้งใจแน่วแน่ลงไปอย่างนั้นจริงๆ แล้วอย่างนี้ก็รักษากายวาจาไปเว้นเสียแต่มันเหลือวิสัยมันพลั้งเผอไปโดยไม่ได้เจตนาอย่างนี้อันนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเมื่อไปสมาทานศีลใหม่แล้วมันก็มันก็มีศีลอยู่ตามเดิมโทษนั่นมันก็หมดไปถ้าว่าเพียงแต่พลั้งเผอนะไม่ได้ไม่ได้ตั้งเจตนาว่าจะล่วงนะะ <c oughs> ดังนั้นเราจึงอยากจะพูดเทตุผลให้ พุทธศาสนิกชนทั้งหลายได้ทราบของการรักษาสิน่นี่นับว่าสำคัญมากทีเดียวก็รรักษาความบริสุทธิ์ของตัวเองนั่นแหละเพราะในชีวิตของคนเรานี่หรือว่าพูดถึงดวงจิตของคนธรรมดาสามัญ น, นี่มันมีทั้งความคิดที่เป็นบุญก็มีความคิดที่เป็นบาปก็มีด้วยอำนาจของกิเลสนั่นแหละ มันมันโดนบันดาลเช่น<ส>อวิชชาความไม่รู้โมหะความหลงหรือว่าความโลภพวกนี้ความโกรธพวกนี้มันทำให้จิตคิดเป็นอกุศลขึ้นมาอย่างนั้นไม่ใช่ว่าความคิดนะมันไม่มีเหตุผลมันไม่มีเหตุมันมีเหตุมันถึงคิดที น, นี้ถ้าหาว่าผูใ้ใดมาเพียร พ, พยายามละมูลเหตุ ของความคิดที่เป็นอกุศลนั่นก็ให้เบาวางไปไอจิตที่มันจะคิดเป็นอกุศลมันก็น้อยลงเบาวางลงไปไมันเป็นอย่างนั้นเพราะทุกสิ่งกอย่างมันมาจากเหตุดังนั้นทุกคนนะ่ะต้องให้เพ่งพิจารณาดูจิตของตัวเองให้ได้เพราะจิตของตนนะ่ะ มันประกอบอยู่ด้วยความโลภโกรธหลงมากน้อยเพียงใดหรือว่าความโลภโกรธหลงนี่มันเบาบางไปจากดวงกิจนี้มากพอสมควรก็ให้รู้ก็ต้องรู้เลยถ้ามันยังมีอยู่อันใดก็จะต้องเพียนละเหตุอันนั้นเช่นอย่างความโลภมันยังมีอยู่เห็นอะไรก็อยากได้แต่พึทธตาพื้ไป ไม่รู้จักจบจักสิ้นอย่างนี้นะนั่นมันต้องรู้ตัวเองถ้าจิตตัวเองไปอย่างนั้นแสดงว่าความโลภมันมีอยู่ก็ต้องเพียนระ ง, งับความคิดอย่างนั้นเรื่อยไปอย่าให้มันคิดเกินขอบเขตไปอยากได้อันใดก็ให้มันสมเหตุสมผลจึงค่อยอยากมันมีเหตุมีผลที่คนอยากก็จึงค่อยอยาก ในสิ่งจำเป็นต่อชีวิตแต่ถ้าเป็นความอยากที่เพ่งพิจารณาดูแล้วว่ามันไม่เป็นบาปเป็นโทษต้องกลั่นกรองด้วยปัญญาเสียก่อนความอยากที่ถูกกลั่นกรองด้วยปัญญานั้นแล้วจึงลงมือทาไปแสวงหาไปตามความต้องการปรารถนาอย่างว่านั้นมันก็ไม่เป็นบาปเป็นโทษมันก็เป็น ความดีของผู้นั้นเดียวเป็นสัมมาอาชีวะเป็นการเลี้ยงชีวิตโดยทางที่ชอบโดยศีลด้วยธรรมเป็นทางไปสู่สวรรค์ทางไปสู่พระนิพพานได้อย่างนี้แหละทุกคนก็ต้องพิจารณาดูจิตใจของตัวเองให้มันได้ให้รู้เรื่องของตัวเองถ้าจิตตัวเองไม่โลภ ก, ก็รู้ว่ามันไม่โลภ จิตมันไม่โกรธก็ให้รู้ว่ามันไม่โกรธจิตมันไม่หลงไม่เมาไปตามโลกสงสารอันนี้มันรู้อะไรเป็นอะไรอยู่อย่างนี้นะก็ให้รู้ให้รู้ว่าจิตตนนั้นนะไม่ยึดมั่นถือมั่นอยู่ในความโลภความโกรธความหลงเหล่านี้ จิตตนเห็นโทษของกิเลสเหล่านี้อยู่ก็ให้รู้ให้รู้ว่าจิตตัวเองเห็นโทษหรือว่าจิตมันไม่เห็นโทษก็ให้รู้ว่ามันไม่เห็นโทษอนี่เรียกว่าเราพยายามอบรมจิตนี้ให้เกิดความรู้ความฉลาดในกิเลสในเหตุแห่งทุกข์ต่างๆมูนี่เราก็ต้อง ฝึ ก, กจิตใจในี่ให้มันเกิดความรู้ความฉลาดขึ้นมาอย่างนี้มันก็ถึงจะละกิเลสให้เบาวางไปได้แต่ถ้าไม่รู้เมื่อไม่รู้มันก็ละไม่ได้มันเป็อย่างนั้นต้องค้นดูต้องพิจารณาดูให้รู้ก็เคยพูดมาอยู่แล้วว่า ไม่ว่าคฤหัตไม่ว่านักบวชก็มีโอกาสที่จะได้บำเพ็ญในขัมมะปฏิบัติได้เหมือนกันต่างแต่ยิ่งย้อนกัวกันเท่านั้นเองเช่นคฤหัตผู้รักษาศีลห้าให้บริสุทธิ์อย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นพรหมจรรย์อันหนึ่งของคฤหัตคือเป็นผู้ไม่ทำบา นั่นแหละถ้าได้เลื่อนขึ้นมารักษาสินอุโบสถวันหนึ่งคืนหนึ่งอันนี้ก็ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติพรหมจรรย์ช่วระยะหนึ่งเป็นพรหมจรรย์ของชั้นผู้ที่ห่างจากกรรมคุณชั่ววันหนึ่งคืนหนึ่งก็ยังนับว่า ดีกว่าผู้ที่ไม่ประพฤติไม่กระทำเลยแต่ถ้าผู้ที่ไม่มีโอกาสจะได้บวชเป็นพระภิกษุสามเณรก็ได้มานุ่งขาวห่วมขาวโกนผมสมทานสินแปดเป็นนิจจสินตลอดไปอย่างนี้มันก็เป็นการประพฤติพรหมจัย์หรือประพฤติในขมมะ สำหรับผู้เป็นคฤรืหัดก็ค่อยเลื่อนขั้นมาอย่างนี้สำหรับคนมีอายุมากเข้ามาแล้วมันควรตื่นตัวกันเพราะว่าเมื่อมีอายุมากเข้ามาแล้วมันก็ใกล้ต่อความตายแล้วไม่ทราบว่าจะไปดิ้นรนขนขวายผูกพันอยู่อะไรกับโลกนี้นักหนาก็ไม่ควรที่จะเป็นอย่างนั้นความจริงนะ พอเราเกิดมาพ บ, พ, บพระพุทธศาสนาแล้วพระพุทธเจ้าชี้หนทางออกจากทุกข์ให้แล้วทำไมเราจึงจะไม่พยายามเดินตา ม, มการมาประพฤติพรหมจรรย์เนี่ยก็ยังว่านันนใครๆก็ทำได้มีสิทธิ์ที่จะทำได้ในเมื่อมาเห็นโทษแห่งการครองเรือน หรือผู้ครองเรือนมาจนอายุมากขึ้นมาแล้วอย่างนี้อันจะไปแสวงหาความสนุกสนานเพลิดเพลินเหมือนอย่างแต่เมื่อยังหนุ่มนั้นมันก็เป็นไปไม่ได้แล้วสังขารร่างกายอันใดก็ทุดโทรมไปแล้วอย่างนี้นะไม่ควรที่จะไปมัวเมาในกามาคุณเหมือนกับคนหนุ่มเขาควรที่จะถอนตัวออกจาก บ, บ้านเรือน มาประพฤติพรหมจรรย์อยู่ในวัตรวาสานา <c oughs> ไม่บวชก็มานุ่งขาวห่มขาวนี่ก็ได้นี่รักษาสินแปดไปเป็นนิจสินอย่างนี้หาก็าตั้งใจประพฤติปฏิบัติทำความเพียรเจริญสมถวิปถนาไปมันก็มีสิทธิ์ที่จะได้บรรลุมรรคผลธรรมวิเศษได้เหมือนกันไม่ใช่ว่าการบรรลุมรรคผลธรรมวิเศษนี่จะมีแต่ นักบวชผู้นึง่งนุ่งเหลืองห่มเหลืองเท่านั้นหามีได้นุ่งขาวนุ่งดำอะไรมีสิทธิ์ที่จะบรรลุไดทั้งนั้นเลย<ม>ว่าแต่ทำจริงนะลงมือทำจริงๆวาสนาบา ร, รมีถึงพร้อมแล้วเมื่อใดก็ได้บรรลุเมื่อนั้นเลยมันเกี่ยวกับบุญวาสนาบา ร, รมีเรื่องมรรคเรื่องผลไม่ใช่ว่าบุคคลจะไปบีบบังคับเอาให้ได้ ไว้ๆตามใจหวังอย่างนั้นมันไม่มีทางไม่มีทางที่จะเป็นไปได้ต้องอาศัยการอบรมบ่มอินซีย์ให้มันแก่กล้าขึ้นไปโดยลําดับไปอย่างนั้นเพราะฉะนั้นสําหรับคนมีอายุมากแล้วมาปฏิบัติอยู่ในวัดวาสถานาอย่างนี้นี่มันก็เป็นการมาอบรมบ่มอินทรีย์ให้แก่กล้าขึ้น เมื่อตนรู้ตนว่าอินทร์บารมีของตนยังไม่แก่กล้าพอเช่นนี้นะถ้าอยู่ครองเรือนอยู่ในบ้านในเรือนนั่นโอกาสที่จะทำอินทร์บารมีให้แก่กล้านี่มันยากเต็มทีเพราะมันอยู่ในความวุ่นวายสรรพัดของผู้ครองเรือนผู้ใดครองเรือนมาแล้วมันต้รู้เองไม่จำเป็นต้องบรรยาย แต่ว่าผู้ครองเรือนที่อยู่ด้วยความหลงความเมานะ่มันไม่เคยรู้ดอกว่ามันวุ่นวายอย่างไรแต่ถ้าผู้ใดได้ทําใจให้สงบลงไปชั่วครั้งชั่วคราวแล้วอย่างนี้มาเพ่งพิจารณาดูนะจึงเห็นความวุ่นวายของการอยู่ครองเรือนเป็นอย่างนั้นดังน้นผู้ที่ถอนตัวออกมาได้ก็เข้าใจว่าคงบาเพ็ญทางขิดใจทำใจให้สงบ ลงไปได้แล้วมาเพ่งพิจารณาดูอยู่ในการครองเรือนนะมันเต็มไปด้วยความยุ่งเหยิงจริง ๆ, ๆมเมื่อผูใ้ใดคิดได้อย่างนี้เนะี่ยมันก็พยายามถอนตัวออกเท่านั้นเองเลยแม้ว่าอายุจะไม่มากก็าตามจะอยู่ในวัยหนุ่มวัยกลางคนก็าตามมันก็ขึ้นอยู่กับวัวสนาบา ร, รมีของคนนะ ถ้าผู้ที่มีวาทนามา ร, รมีแก่กล้าเข้าไปแล้วมันถ้าเกิดนิพพิทาความเบื่อหน่ายขึ้นมาเองเมื่อได้ยินได้ฟังได้ส ม, มาคมกับนักประหลดบัณฑิตเข้าไปแล้วอย่างนี้มันถ้าเกิดความรู้สึกนึกคิดขึ้นมาเห็นโทษเห็นภัยในการในการของเรือนแล้วก็มีความชื่นชมยินดี ในการประพฤติพรหมจรรย์เพราะมันมีตัวอย่างทรมาให้เห็นอยู่แล้วในพระพุทธศาสนานีหลังจากที่พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันพระริพานมาก็มีผู้ออกบวชประพฤติพรหมจรรย์สืบศาสนาของพระพุทธเจ้าติดต่อกันมาจางแต่ข้างนั้นมาจนถึงปัจจุบันนี้ก็ยังมีผู้เห็น โทษในการครองเรือนอแล้วก็ออกบวชกันถ่ายทอดกันมาโดยลำดับแม้ว่ามันมันจะเสื่อมโทรมจากประเทศหนึ่งเอา้ามันก็ไปเจริญขึ้นในประเทศหนึ่งอย่างนี้แหละ เ, เมื่อประเทศเอ่เป็นต้นตอของอุทธศาสนานั่นคนมีบุญว่าศาสนามันน้อยลง แล้ววนี้เอาประเทศอื่นคนผู้มีบุญวาสนาบรารมีก็ไม่อยู่อย่างนี้แหละมันก็สืบทอดกันมาโดยเฉพาะประเทศไทยของเรานี่ก็นับว่าเป็ น, เ ป, นเป็นคนผู้มีบุญมาเกิดกันเถ่าทยทอดกันมาหลายชั่วบรรณบุรุษได้ตั้งใจนับถือพุทธศาสนาอย่างมั่นคงเอทั้งคฤหัสถ์ก็ได้บำรุงพุทธศาสนาโดยปัจจัย ปั จ, จัจสี่มาโดยระดับทั้งผู้ที่มีศรัทธาออกบวชเป็นพระภิกษุสามเณรประพฤติตามศีลสมาธิปัญญาตามกำลังความสามารถของตนอย่างนี้ก็มีสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบันนี้นี่แหละคำว่าการประพฤติในขมมะหรือว่าประพฤติพรหมจรรย์นี่มันมีมาแต่ดึกดำบรรณ แม้แต่กับใดกันใดที่มีที่เกิดมีกับมีการมีมนุษย์ขึ้นมาในโลกมันถ้ามีอยู่นั่นถึงจะมีพระพุทธเจ้ามาบังเกิดขึ้นก็ดีไม่มีก็ดีในสมัยที่ไม่มีุทธเจ้ามาบังเกิดนั่นผู้เบื่อหน่ายในกางคลองเดือนก็ได้ออกบวชเป็นพระฤาษีเจริญกสิณฌานได้สาเร็จฌานสมาบัติ ดังที่กล่าวมาตอนต้นนั่นแหละอืมในสมัยที่มีพระพุทธเจ้ามาบังเกิดขึ้นในโลกก็มีผู้สระบ้านเรือนออกบวชดประพฤติพรห ม, มจรรย์กันจนได้สําเร็จมรคนิพพานตามพระพุทธเจ้าก็มีเป็นจํานวนมากนี่พวกเราเราพุทธบริษัททั้งหลายเนี่ยควรพากันคิดให้ก้วงสักหน่อยเมื่อผู้ใดคิดได้อย่างว่านี้แล้วผู้ที่ ประพฤติพรหมจรรย์อยู่ก็จะได้มีความมั่นใจในการประพฤติพรหมจรรย์เรื่อยไปต่อสู้กับกิเลสอุปสรรคต่างๆในชีวิตของการประพฤติพรหมจรรย์นี้ไปอย่างไม่ย่นย่อเอาชีวิตเป็นเดิมพันตายแล้วแล้วไปตายเพราะการต่อสู้กับกิเลสตัณหาอาสะวะทั้งหลายเหล่านี้นะดีกลัวที่เราจะตกเป็นทาสของกิเลสตัณหา แม้ผู้ครองเลือนก็เหมือนกันนะต่อสู้กับกิเลสตัณหาอันมันจะพาให้ทำบาปมีฆ่าสัตว์เป็นต้นนั้นให้ได้ถ้าผู้ใดเว้นจากบาปจากโทษท่าประการนั้นใดแล้วผู้นั้นก็ชื่อว่าปิดประตูอาบายโูมทั้งสี่จะได้เป็นนิสัยเป็นปัใจจัยให้บรรลุถึงซึ่งสวรรค์ซึ่งพระนิพพานไปโดยเร็วพรรัน์ ดังแสดงมาขอจบลงเพียงเท่านี้